สิบสามกุลทูสกะสิกขาบทเพราะการไม่สละจนกระทั่งสองส่วนสมนุภาพครบสามครั้งเป็นปัจจัยภิกษุผู้ประทุษร้ายตระกูลต้องอาบัตสามอย่างคือหนึ่งจบยั ต, ติต้องอาบัตทุกกฎสองจบกรรมวาจาสองครั้งต้องอาบัตทุลใจสาม จบกรรมวาจาครั้งสุดท้ายต้องอาบัตสังคาทิเศษสังคาทิเศษส3สสิกขาบทจบ